เดี๋ยวนี้ยาชนิดหนึ่งนะซึ่งเป็นที่นิยมมากอาจจะลองจากยาแก้ปวดหรือยานอนหลับนะก็คือยาต้านโรคซึมเศร้านะเดี๋ยวนี้คนเป็นโรคซึมเศร้ากันเยอะตอนที่มียาต้านซึมเศร้าเนี่ยนะออกวางขายเนยเมื่อส0มสกว่าปีที่แล้วเนี่ยโอ้ยคนดีใจกันมากเลยนะเพราะว่าคนที่ทุกข์เพราะโรคนีน้มันเยอะมากและการก็หนักมากทรมาน หลายคนกินแล้วก็นะรู้สึกดีขึ้นนะยาที่ว่านี่มันไปทำหน้าที่ควบคุมหรือว่าปรับการดูดซึมนะสารของสารชนิดหนึ่งนะชื่อว่าเซโรโทนินซึ่งมันช่วยทำให้เกิดความสุขเกิดความสบายถ้าสารตัวนี้นี่มันมีน้อยนี่คนก็มีอาการหดอูซึมเศร้าได้ง่าย แต่ตอนนี้เนี่ยก็าพบแล้วว่าไอ้ยาประเภทเนี่ยมันมีโทษมากกว่าคุณนะเพิ่งมาค้นพบเมื่อเร็วนี้นี่แหละหลังจากที่คนใช้ยาชนิดนี้มาสามสิบกว่าปีแล้วเราก็ใช้กันทั่วโลกนะคนผลิตนี่ก็ได้เงินเยอะมากมายก็เพราะว่าในแง่ประโยชน์เนี่ยถ้าเทียบกับยาหลอกยาเทียมเนี่ยนะ ยาตาโลโรคซึมเศร้าเนี่ยมันมีประโยชน์นะแค่กับคนหรือผู้ป่วยเนี่ยแค่ 15% หนึ่งคือเขาทดลองเปรียบเทียบกับคนที่กินยาเทียมนะโดยที่ไม่รู้ว่าเนี่ยมันเป็นยาเทียมก็นัวเป็นยาต้านซึมเศร้าพอกินแล้วนี่หลายคนก็รู้สึกดีขึ้นขณะที่ยาต้านซึมเศร้าตัวจริงๆเนี่ยมันมันก็มีประสิทธิภาพ ไม่มากไปกว่ายาหลอกนะเท่าไหร่เลยแล้วก็มีประโยชน์กับเฉพาะคนป่วย15เนท่านั้นแหละซึ่งก็หมายถึงคนที่ป่วยด้วยโรคซึมเศร้ารุนแรงแค่15อนหนึ่งนะเพราะฉะนั้นขณะที่โทษของมันนี่แรงมากนะพอพอกินไปนานๆนี่ก็ จ, จะไปหลอกหัวใจอาจจะมีอาการชักบ่อย อาจมีอาการโรกหลอดเลือดสมองที่เาเรียกว่าสต็กเนี่ยหลอดเลือดอุดตั น, นในสมองพิ ก, การแล้วก็มีอร่องในน้อยนี่ก็มีอาการตายด้า น, นอาการด้านชาทางอารมณ์ไม่มีอารมณ์ความรู้สึกรวมทั้งอารมณ์ทางเพศด้วยและถ้าเกิดว่ากำลังตั้งครรภ์อยู่นะเด็กในท้องคลอดออกมาก็อาจจะมีความผิดปกติ ตอนนี้เขาก็พบแล้วว่า โ, โทษนี่มันมากกว่าคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เขาก็เริ่มแนะนำกันแล้วนะว่าเนี่ยถ้าว่าผู้ป่วยซึมเศร้าอาการไม่รุนแรงนี่อย่าไปให้ยาชนิดนี้นะมันต้องจะให้ก็เฉพาะกับผู้ที่มีอาการซึมเศร้ารุนแรงจริงๆชนิดที่เรียกว่าอาจจะฆ่าตัวตายได้นแต่ถ้าคนซึมเศร้าแบบอ่อนๆหรือปานกลางนี่ ให้ไปนี่ะเกิดผลเสียนะพ่อมันเกิดอาการติดนะพอติดแล้วเนี่นะแล้วก็เกิดผลข้างเคียงตามมามากมายพอจะถอนออกมานี่ยากเลยนะบางคนใช้ยาไปนี้มาเป็นสิบปีทั้งที่อาการซึมเศร้าก็ไม่รุนแรงแต่พอจะเลิกนี่น ะ, ะมันไม่ใช่ง่ายนะไม่ใช่ว่าเลิกทันที แล้วก็ไม่ใช่แค่ใช้เวลาส3าเดือนหนึ่งจะเลิกได้ไมันต้องเลิกใช้เวลาเป็นปีก่อนจะเลิกได้เราก็ต้องให้หมอสั่งหมอแนะนำด้วยเพราะฉะนั้นตอนนี้เขาก็เริ่มที่จะแนะนำหมอเนี่ยนะว่าเนี่ยถ้าผู้ป่วยเป็นโรคซึมเศร้านี่มานี่ถ้าอาการไม่รุนแรงนี่จะไปให้ยาตัวนี้นะซึ่งก็มีชื่อหลายมีหลายชื่อนะโปรแซกก็อันนึงละ มันมีหลายชื่อนะเพราะว่ามันเหมือนกับแอสไพรินอ่ะมันก็มีชื่อต่างๆกันแล้วคราวนี้เท่ากับอาการไม่รุนแรงทํำยังไงนะอ่าก็มีสิ่งอื่นที่ดีดกว่านะเช่นการออกกําลังกายนะออกกําลังกายนี่ก็ช่วยทําให้เคมีในสมองนี่มันดีขึ้นหรือว่าทําให้ใจนี่ไม่มาหมกมุ่นอยู่กับเรื่องไร้ในอดีตที่เป็นเหตุให้เกิดอาการซึมเศร้า หรือว่าปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะอย่างเช่นให้ไปอย่างที่นอังกฤษตอนนี้เขาก็ใช้วิธีที่เราว่ า, า social prescribing นะก็คือให้ไปาทางกิจกรรมเช่นเต้นรำบ้างหรือว่าวาดรูปบ้างถักโครเชร่บ้างให้มีอะไรให้มีอะไรทํนะชนิดที่จิตเนี่ยมันจะได้มีสมาธิอยู่กับสิ่งนั้นจะได้ไม่ฟุงนะ้งซ่าน วาดรูปก็ได้นะหรือว่าแกะสลักนะสำหรับคนที่ชอบทางด้านศิลปะนะจัดดอกไม้ก็ช่วยได้เหมือนกันเดีย๋ยวนี้ก็ให้ไปทํานี่หมอนี่เวลาสั่งนี่ให้ไปทํานี่เป็นชั่วโมงเลยนะยีชั่วโมง40ชั่วโมงแล้วก็ทําไม่ได้ตามนั้นถึงค่อยมาหาหมอไม่ใช่ว่าแนะนํำเฉยๆนะแต่ว่าระบุจํานวนชั่วโมงด้วย นะแล้วพอไปทำนี่ก็ต้องมีคนเซนต์นะว่าได้ทำมาแล้วกี่ชั่วโมงพอครบ20ชั่วโมง4ี่ชั่วโมงก็ค่อยมาหาหมอไอ้แบบนี้เนี่ยมันก็ทำให้คนไข้ใ น, นการดีขึ้นโดยที่ไม่ต้องพึ่งยาหรือว่าคนที่ล้านะเรียกว่าหมดไฟเนี่ยจนมีอาการคล้ายๆกับซึมเศร้าเงี้ยที่กินก็แค่พักผ่อนหรือว่าหยุดงานนะลางานซะ๋ยวไปทางานหนัก เพราะว่าบางทีมันไม่ใช่แค่ความเศร้าบังทีมันเกิดความเครียดนะพอหายเครียดเข้าเนะี่ยอาการก็ดีขึ้นหรือแบงค์ห่งแบงที่นี่ก็ให้ไปใกล้ชิด ก, กับธรรมชาตินะนะให้ไปทากิจกรรมเรือ่องป่าบำบัดนะไปอยู่ในป่าทํากิจกรรมในป่าวารูปนั่งสมาธิง่ายๆเบาๆหรือว่าเล่นโยคะหรือว่าไปก่อต้นไม้นะ ในญี่ปุ่นเขาเรียกว่าอาปานะก็บอกคนไข้ก็ก็มีการดีขึ้นนะโดยที่ไม่ต้องพึ่งยาแล้วก็วิธีหนึ่งที่คนมักจะแนะนำกันนะหวังดีนะให้ไปทำสมาธินะอันนี้ตามาก็ไม่แนะนำนะเพราะว่าคือไปนั่งสมาธิหรือมาเจริญสตินี่มันกลับอาการหนักเพราะว่าพอมันว่างๆไม่มีอะไรทำ จิตมันก็วกกลับมาสู่เรื่องเดิมๆปัญหาเดิมๆในอดีตเกิดวความซึมเศร้าหรือว่าไปนึกถึงปัญหาในอนาคตเกิดอาการเครียดคนไม่เข้าใจเราคิดว่าสมาธิภาวนานี่มันจะเป็นยาสารพัดนึกนะคนที่ไม่ชอบใช้ยาก็ไปหันไปแนะนาทาสมาธิไอ้คนคนที่ไม่็นคุญางสมาธิก็แนะนำให้ไปใช้ยา อันนี้สุดตรงสองทางเนี่ยสำหรับการแก้ปัญหาซึมเศร้านี่ทางสายกลางคือว่าเนี่ยหาอะไรทำนะให้จิตมันได้จดจอ่อมันจะได้ไม่ฟุ้งซ่านมากแล้วก็มันก็มีผลต่ อ, อร่างกายด้วยเพราะในเวลาเราเจอใครที่เป็นโรคซึมเศร้านี่นะเดี๋ยวนี้เนี่ยนะเขาก็มีวิธีการแล้วที่ดีกว่าการใช้ยาแต่หมอในเมืองไทยนี่ก็ยังอดไม่ได้นะ เพราะว่ามันง่ายนะเจอคนป่วยเราซึมเศร้าให้ยาไปเลยตอนนี้ในเะมืองนอก น, นี่เขาเขาระมัดระวังมากนะเพราะยานี่มันมีโทษมากกว่าคุณอย่างที่ว่ามา